ชนีก็โอกาสจากขุนทริยมุรกไร222อร้นโลมปุจฉาจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดเสตินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเสตินศีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิศัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาคานินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิศัชนาในรูปปาวจรภูมิในภูมินั้นคาณินรีไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในอาจารสัญญสตต ภ, ภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิถินรีและบริสินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบริสินสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในรู ป, ปารวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขุนสีมิใช่ไม่กําลังเกิดในอตัญญัตตภูมิและอรูปภูมิในภ um ูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากําลังเกิด ปฏิโรมปุชชาชีวิตอินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจะขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุชชาจะขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณสินรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุชชาโสมณสินรียในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด จกักขุนศีในภูมินั้น oh, ก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกขุนรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นจักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกขินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอรัญญาัตตภูมิในภูมินั้นจักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดและ อุเปกินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุชชาอุเปกินสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาจักขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตถินสีและปัญญินสีและมณินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนา ในรูปภูมิในภูมินั้นจกขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินรีมิใช่ไม่กําลังเกิดในสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นจกขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุชชามนินรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจกขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาใช่จกขุนตริยะมูลกนัยจบ คาณินทรียมูลกไนสร้อยยี่สอนุโลมปุจฉ้าคานินทรี ย, าา ย, 3, ย์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิตินรีและปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉ้าปุริสินรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดชนะใช่ไหมวิทัดชนาใช่อนุโลมปุจฉ้า คารินรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตอินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนากำลังเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตอินตีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคารินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัตชนาไม่มีอนุโลมปุชชาคารินตียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสอินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในรูปปาจรภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมณตสินรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในอาจารย์ัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดและโสมณตสินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาโสมณตสินรียในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุตชาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินรียมิใช่ไม่กำลังเกิดในยัจัญจะตตภูมิในภูมินั้นคาณินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิด ปฏิโลมปุชฌาอุเปกขินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชฌาคาณินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตตินรีละปัญินรีละมนินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นคาณินตียไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณินตียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในยสัญญาเศตภูมิในภูมินั้นคาณินทรียไม่ใช่กําลังเกิดและมณินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุจฉามณินตีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคาณินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่คาณินทรียมุรกไนจบ ถิญทรียมูลกไนสร้อยยี่สอนาโอมปุชชาอิถิถิญสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริถิถิญสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโอมปุชชาปุริถิถิญสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิติถิญสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ละปุริถินตญรียมูลกัย 2องอนุโลมปุจฉาปุริสินรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินรี์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนากําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัตชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาปุริสินรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด โสมณัตสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัตสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในยัจญยัจจภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมณัตสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัตสินสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาปุริสินสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุปเปกินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในยสัจญยัตตภูมิ ในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกขินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิรมปุจฉาอุเปกขินรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินสในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโรมปุจฉาปุริสินสในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินรีละปัญญินรีละมนินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในยสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปริสินตรียมุรกัยจบชีวิตินตรียมุรกไนสย2ี่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสตินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัิชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสมนัสตินตรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจัตชนากำลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินสีละสัตตินรีละปัญญินรีละมนินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัตชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามนินทรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไห ม, ไมวิจัตชนาะกำลังเกิด ชีวิตินทรีย์มูลกนัยจบโสมนัสินทรีย์มูลกนัย2อ้ออนุโลมปุจฉาโสมนัสินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด โสมณตินรีในภูมมนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสมณตินตีในภูมมใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินรีและปัญินรีและมนินตีในภูมมนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินตีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด โสมณสินรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะใช่โสมณสินตรียมูลกนายจบอุเ ป, ปกินตรียมูลกนานิย2ี่อนุโลมปุจฉาอุเ ป, ปกินสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตตินรียปัญญินรีและมนินทรียในภูมิ น, 4, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะใช่ ปฏิโลมปุชฌามนินทรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกนินสีในภูมิ น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่อุเปกินตรียมุรก า, ายัยจบสัททินตรียมุรการนสย2ี่อนุโลมปุชฌาสัททินตรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญตรีและมนินทรีในภูนนญญนมิา น, า น, น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรียในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัตทินตรีมูลกายนัยจบปัญญตรีมูลกายนัยสองอยสามสินุโลมปุจฉาปัญญตรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่ปฏิโรมปุจฉามนินตีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปัญญทริยมูลกาในาจบ